Mm hmm.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 ทุกและเพราะใจมันดิน้นความไม่อยากก็เหมือนกันนะให้ความไม่อยากเนี่ยมันก็ทำ้ายใจของเราได้มันเป็นโทสะอย่างหนึง่งความไม่อยากเราไม่ชอบเราไม่อยากให้อากาศมันร้อนเราไม่อยากให้ฝนตกเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์ที่เจือไปด้วยโทสะและพอมันเกิดขึ้นและเราไม่รู้เท่าทันมันก็จะปรุงขึ้นมานะ